สิ่งที่เป็นค่าสึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินวิเลยผู้ที่จะสามารถรูปแจ่งแทงทะลุและตัดขาด สบ้านออกจากกิตใจอันเป็นที่ส่องสูงที่เกิดที่อยู่ที่ก่อเกลนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าพเพียงองเดียวทัน้นพระองค์เดียวเท่า น, นั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ทันคนมายาของมันได้เลย โดยเหตุนี้โลกยินยอมจำหนวนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นไผจะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีในส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด จะให้เป็นความรื่นลริงบันเทิงหรือความเสืยอกเสียใจแปดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบไว้หมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยรธรรมชาตินี่จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดต่างหลักธรรมหลักธรรมชาติของมัน หากพระพุธทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกันตานโลกคำว่าโลกันตาโโนตาโลกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้ นึงว่านักโทษตลอดสิดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆรในร่อเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทางโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตน ตอประเทศชาติบ้านเมืองยน่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดต่อชีวิตดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิยเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้า มาทรงแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้า ม, มาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความรัรสั์ แก่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้ลึอถอนขนสะตวลึกหรือถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักพักหรือเป็นวักเป็นตอนจนหลุดพ้ น, พนไปได้ตามกําลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกาได้มากน้อยเกี่ยมไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะ การได้ยินได้ฟังพระอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน <c oughs> ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดใจในคำภีใบลายอันเป็นแบบเป็นฉบับสืดเนื่องมาจากพระองค์ก็ดี ไม่ได้ยินได้ฟังทำที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลําดับเพราะฉะนั้นคำวมาพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะคําว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรมธรรมชาติที่สว่าง ข้าจาร์แจ้งสองทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันผลประสงค์ในเกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลําดับลาดามาดีกว่าพระสงค์ไในเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วหนิลูกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์เองนี่เราก็ได้ แต่ว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ถูกเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาชนะธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอก สิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยจีดจางหรือเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดับจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความซักพอกของธรรมีเล่าที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงาน ซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนคารวาสเขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบังเพนตตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายถานตามทางของศาสดาาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุ น, นี้ ยังมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจที่คลานอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทํามาเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบาเพ็ญ นั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกัน้นไม่ให้ปีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกัน้นสองภาคทางไว้ทมเป็นทาง สายกลางเรียกว่ามัชฉิมาปฏิปทาทวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองภาคไม่ให้ข้ามหรือปลีกแยะออกไปปีนรั้วปีนราวคือหลักธรรมหลักทวินัยอันเป็นสวนาคาตธรรมด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้น ไม่ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชชิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปีดแวจากหลักมัชชิมานี้ด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทาง โดยไม่ต้องสงสัยผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้ผู้เช่นไร้ากผู้ถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่ยงกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพูดด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานรุ่งเรงวุ่นวาย หลายด้านหลายทางเหมือนคารวะมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบาเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในเอียบบทต่างๆปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมูลอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องอยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีแต่หน้าที่ของเราที่จะดาเนินตามหลักธรรมหลักอินัย มาให้ติกแบะตามสายทางแห่งมัจฉะอิมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความ ห, หมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตน คือฉันทะวิริยะอิตวิมังสาเป็นสำคัญ น, นีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมานวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยกิตตะ มีความฝากไปใส่ใจอยู่กับมา น, นั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตวเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความใจร้องพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่ากิดนอกการไหนนี่ก็เป็นธรรมที่จะ ให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผล ม, มีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเปลี่ยนของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิยะก็เหมือนกันสติ เป็นของจำคัอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณาหรือกาลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาพเพียนเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยว่าแวกคอนแวนนั่นแหละ ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพินิพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอยากไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซากฟอกเลือกตัดฟันกิเลสประเภทต่ตาง เ่งหุมห อ, อกภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำ ด, ดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำอีกให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญา เพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชาัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในต น, นพระพุทธเจ้าและภาษา voke ท่า น, านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้ีิกลมีการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัรรมแก้กิริยทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่าน เพศของพระนี้กับเพศของพระคั่งพุทธการก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและทาทั้งหลายที่ประทานไม่แล้วก็เป็นพระธรรมเป็นประธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีทาข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอ จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลาดับจำ د าของผู้บำเพ็ญช่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียดย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดไปตามเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงไม่ปรากฏผลที่เพิงหวังพอเท่าปรับแสงหิ้งห้อยบ้างเลยกเพราะมีตั้งแต่กิเลส ทำงานบุญหัวใจเราตั้งทั้งที่กำลังทำความภาคเพลี่ยนอยู่นั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอทีอ่เรศทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไมะ่ะให้เราคิดอย่างนี้สนับนักธรรมะที่จะฆ่าที่เรศเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริง ที่จะนำมาค่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ที่ล้าสมัยแต่พระพุทธเจ้าปฏิพานนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความลิ่งใสเข้าทำลายความภาคเพียร แล้วเข้าทําลายมรรคผลนิพพานอันจะพึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ต่างว่าเป็นกิเลสที่คลื้ที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านํากิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ข้ามคราชาลาหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านํามาใช้มนเกิดประโยชน ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี้กล่อมได้ทั้งนั้นทําให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้โดยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนถกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกําหนดกดเจนฑ์ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขนาดทุกเวลาเวลาและผิดผลทุกให้เกิดแก่จักรโลกตลอดไป เรียกว่าโลกันตะจิตโลกันตาโรกดูภายนจิตใจของเราที่ผูกพิเดลมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเรานี้เป็นของปลอมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกลมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามพิเดลหมด เพราะฉะนั้นกิเลสกระดิตพลิกแพงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยแม่คํำนึงว่าผิดว่าถูกดีทั่วประการใดนี่นี่หละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิดตามันให้กระดิกพลิกแพงไปด้วยอํานาจของมันทั้งนั้นไม่ได้กระดิกพลิกแพงกิจใจออกไปด้วยอํานาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้ว ได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นดันั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่ขบวินในตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กันกับพิเลกจะมีธรรมข้อใดบทใดาบาตรใดามาเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวยขรธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิกระทำอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับพิเล ถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาปะพื่อปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนดนนื่นเนินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้ในฐานะบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตน ให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คัมมาอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการเราคุยปฏิบัติตโดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเปี่ยนในท่าความดีทั้งหลายนั่นแหละ ท่นเรียกว่าการสั่งสมอํานาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานนันก็อํานาจก็มีมากอํานาจของธรรมสาติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียนก็เพียนได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นไปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิด หรือครอบาําจิตใจให้มืดมิดปิดตา ม, มาเป็นเวลานานจ u s t กี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็าตามพอเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดจะกระจายหาจไหมดเหลือแต่ความสว่างล้นล้วนเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันวิรเรศจะเคยครอบงาหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตายหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็าตายเมืม่อดได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียร มันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กาจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินกันกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำอันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่ยี่ร่ําเวลา มาด้วคำหนึงถึงมาสนามากสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดลอยไปเช่นั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอํานาจแห่งความเปลี่ยนของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายต่างองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดในเรื่องของตัวโดยเฉพาะเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็น สิ่งมงคลอันจะเป็นค่าศึกต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าศึกต่อตนอย่านํามาช้าอย่านํามาคิดให้คิดในวงของตัวเองที่จะเป็นอัดเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมเป็นเรื่องข่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสังสมกิเลสขึ้นมาเผาโดนหัวใจตัวเองจะเป็นเทวธาตุทาทลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะยิยาธาตุทางหงูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการ ย่างย้ผันแปรต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นก็ทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิด ปล่อยให้กิเลสเข้ายํายีตีแหลกภายในจิตใจของตนแล้วนักตรีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลูกนอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัดธรโดยแท้นั่นเรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็นยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชทัตายก็ตา ม, ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสไปังค้ามถ้าไม่แก้ไม่ตก ถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดาทางใดดีชั่วประการหนจึงที่ว่าผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของจิตที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องในสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอ พอที่จะได้รทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลานาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดว ถ, ถึงและทะลุ ป, ปูโผงทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือปลา ใ, ใจยิ่งจะทราบได้ชัดจินเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สับคันน้หมายในเรื่องต่างๆนั้นการความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันนวน ต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงออกมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่กลางไหนๆแล้วเมื่อได้ชำระ ก, กันจกนกระทั่งหมด เชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันจะมีอยู่ก็ตามรูปนีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของลูกแต่ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของไข่ทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเดือยในตัวเองในธาตุในขันเนี้ยที่แสดงขึ้นมาในธากุในข้น ทุกนั้นก็สักแต่ว่าทุกที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอีกด้วยมีแต่จิตเป็นผู้ไปทราบะและ้วมายึดด้วยเมื่อรู้แล้วนั่นก็เป็นชักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจําก็สักแต่ว่าจําไม่ได้สังจิตสังใจให้จิตใจนั้นรุ่มหลงไปตามสัญญยาสังขารความคิดความปรุงก็เหมือนกัน เป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆยังเรียกว่าขันร่วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาปรับดันมาใช้ขันนี้ให้เป็นกิเลสไปตามต้นเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการานั้นแล้ว ย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันของเรามันเป็นขันนักโทษหูกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ผมเห็นให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายประทางใจเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแย่ต่อสู้ตั้งฐานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั่นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกสมอไป นี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าฝ่ายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายไกลนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั่นแลคือเรื่องกิเลสครอบปุ๋ยหาผลปรดุลเข้ามาสู่ตนให้มีมากมุมมีกําลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรม ในลัคนะขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามทิเดศความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับยึงมีความเสมอภาคภ า, ายในจิตใจให้ความสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่เส ม, มอกันไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สําคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็น โทษเป็นปภัยเผาลนตนเองและไปยเผาลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปการปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นดัวก่อเหตุสําคัญยาไปดูคนนั้นยากไปดูคนนี้ยาไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความพิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจอ่อพิจารณาขี่คาดู ตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจากทราบไปโดยลําดับดับแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีทันทีแล้วระงับดับกันลงได้ทันทีนั่นคือวัตอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทานกัปปมายาของกิเลษกิเลสย่อมหมดอํานาจไปโดยลาดับนี่การปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้ การแสดงท่านทีตันแสดงว่ามองกันแฮมให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุตาเมตตามองในแงน่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมทีป่ประเภทอันจำพันก็คือให้มองดูจิตของตนมันปรุงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่ พอกลับเครื่องไปแล้วเขาเป็นเรื่องเป็นลาขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญก่อื่น การทำความภาคเพียนอย่าทำาพวกอพลาดแบบโลกๆกแบบโลกๆลกใช่ไม่ได้อย่าเอาเวลาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นทําประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นตั้นมือกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตน อย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมออะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทํำไมจิตมันจึงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่มันสงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทําเรานั่นเองมันทำผิดเรามันทําจริงทําจังกิเลสตัวไหนออกมาทําจริงทําจังไม่นีมีคําว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลส เราทําด้วยความรอดแหละไม่กิ่งไม่จังมีแต่ให้จิเรียดย่ำยีเอาทุกๆุกครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอบรานี่มันสําคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอบรา่าคุณรู้สึกตัวจิเจรียดตัวไดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละนี่สําคัญพิจารณาด้วยดีทำของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ดิบ ปรากฏขึ้นที่ใจเถอะไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นก็าตามเห็นองค์菩萨ดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวพายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงยิ่งถึงขั้นยิ ม, มุติบุรพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วทั้นนั้นหาความสงสัยในบุริกาพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอนันเดียวกัน นี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราจะถากรเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ธรรมที่ก่ามานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดห่มห่อหรือถูกกรบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ ความเปียนทั้งเราก็คือขุดการขุดคุยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อ น, นี้ด้วยวิธีการต่างๆนี่จะให้ของจริงนั่นเริ่มฉายแสงออกมาเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจจากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่นี่ลำดับต่อไปก็ใช้ปัญญา หรือถอนสิ่งที่ปกคุมหุ่มห่อด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นท้าเหตุแน่ยความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสําคัญไม่หลงไม่หยุตถ้ารู้แล้วมาหยุดถ้ารู้เป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจ่อมปล่อยเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้รนี่ทีงเรียกว่ากลมายาของจิตเรศมันละเอียดหากที่สุด ท่านจึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทําสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือก เ, เย็นพอเป็นกําลังหรือเป็นบาทแห่งนิ่ปัญนาก็ให้ทําเพราะทำทั้งทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้าไราวเลยยิ่งน้นยิ่งนี่เพ่นน้นเพ่นนี้ถ้าเหลือถ้าไหลอะไรจะเร็วยิ่งกว่าพิเรนนี่มันรวดเร็วมาก ตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่เจลิตนิสัยที่จะนำมาใช้ธรรมมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดแต่ท้นพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องตอดถอนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำหนักําราคำภีอยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้กิเลสได้กิเลสนันไม่เห็นไม่มองดูคมภี มันทำามมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มาแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราได้เหยียบย่ทำทําลายจิตใจของเราได้ให้ชอบช้าหรือขุ่นมัวไปได้ทุกๆขณะจิตทุกๆขณะที่ที่กิเลสทํางานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปไปมองดูตำหนับตําหน่าไม่เห็นมิมันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทประยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบาสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำหน่าทำไมเราจึงจะแก้มาได้อุบาสของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะ ปรากฏขึ้นมาพนาจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยรมิแล้วแต่เจตดิจิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาอย่างนไ้ใดที่จะเป็นเครื่องพาดปันหันแบบกับกิเลสเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นํามาใชา้อย่าอยู่เฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆ่อยๆหาศึกษากับครูกับอาจารย์ก่อนไม่เป็นท่าเป็นทาเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่าทําลายตนและเหยียบย่าทำลายหมู่เพื่อนให้หนักตึงไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ ต้องมีความคล่งตัวนักปฏิบัติอยาอืดอา่านเหนือ่อยหน่าเรื่องของธรรมเป็นอย่างไงไม่ใช่เรื่องมานอนกก่มาประมาเอานิสัยความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ทำทําลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งลูกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่เข้ามามันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สิ มันเอาลุกเรื่องน้ําราวเข้ามาเหยียบย่ำทําลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทําความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทําความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทําไมเราจะทําไม่ได้อันเป็นฝ่ายทําเช่นนี้แต่ที่เหียกทํำไมมันผิดขึ้นมาได้รวดเดียวนะต้องมาแก้กันเลย วันหนึ่งคือหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติว่ายี่สบี่ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้หละถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำงานมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากที่เหลืทั้งหลายยิ่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมบดี ด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความดเฉลียวฉลาดทําไมมันจึงไม่ฉลาดเรามันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่จะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะให้ฉลาดตลอดวันตายก็หาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาท่านไม่นํามาคิดคน้นอยากเข้าจใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องคน้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลูกสติ ป, ปัญญาของผู้ที่ จ้องมองที่จิพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษาแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี้ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรันแตกไปน่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ไอ้พูดให้ฟังอยู่เสมอ าศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั น, นสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องยีงาและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจับใจไม่แสดงที่ไหนจะ แ, แสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้สัมผัสสัมพั์รับทราบธรรมทั้งหลาย ที่ว่ามีอยู่นน pe. ส่ดจว น, นอื่นๆไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจ ม, มูกลิ้นตาเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างๆตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมแตพราะอย่างยิ่งคําว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครเป็นผู้ยืนยันนะธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่น พากันคำมาคอมเมนเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะวิเศษคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามแดนโลกธาตุใครที่ว่านไม่มีกิเลสมันมีเมือ่อไหรหากจะวิเศษวิโสมันเขาวิเศษวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่ใน้ทุกอยู่นี้ทั้งๆั้ที่มาหาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแ ท, แท้ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้พิจารณา สอนแทบล้มแทบตายสอนหมูกสามคณะสอนมาเป็นเวลานานมีวิธีแหววพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้เลยเป็นกําลังใจพอเป็นสักขีพยานมั่งมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้กันมันเป็นอะไรทําที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดํากําตามาสอนกันไม่สอนแบบกําดํากําขาวสอนแบบดุดเดือสอนเรื่องคํามถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ ผ่านมามากน้อยหนักเบาคิดเพียงไรก็ได้นํามาสอนอยู่เพือ่อถึงผลหนัหกจะเกิดขึ้นก็จะปิดดู่ได้อย่างไรก็ต้องนํามาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั้นเป็นอย่างไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะมีเสียวิสูจนั้นไม่มีแล้วเหรอนั้นถึงไม่สนใจนั้นถึงไม่ปฏิบัติมันถึงไม่เจอกัน มันาทำประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมเล่แล้วจะเห็นธรรมได้อย่างไรธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไงพอจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบต่อยสัทีเดียวแหลกไปแหลกไปถูกกิเลเสเผาซะแหลกไปหมดคำว่าตัปปะธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความมีเสียนิสงมาจากไหนเกิดชาติใดก็าตามมันก็คือความทุกกองทุกอันเดียวกันมันคาว่าเกิดนะ ก็เกิดทุกข์พร้อมๆกันมันไม่เสียดสีโซอะไรเกิดแจ็เจ็บตายมีเสียดสีโซที่ไหนล้วนแน่ตั้งเป็นการหาบหามของทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนไม่ทั้งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกลกายและจิตใจของเรานี้ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับถมโจมตีเรานั่นห็นงหินำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นอย่างไรความสุขจากทํามกับความสุขอย่างอื่นต่างกันอย่างไร ความทุกข์ทางความในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุแต่เป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ําทําลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆ็กน้อยน้อยกับกลัวแต่จะล้มจะตายเวลาให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายกี่พบกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาที่สติปัญญามี อย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นํามาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยการขึ้นมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพ่าผ่าขันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจิ่งเรียกว่าโลกอ น, นิจจ์ในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขำอักคำแม่นในความผาาเปลี่ยนของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำระละแล้แหล่ไม่ใช่เรื่องของธรรม ความตลอดยแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันร้อมไว้หมดปากเสียบฝักหน้ําไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงร้อมอหรือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงร้อมออกไปด้วยอาจด้วยทำทำไมจจนติดตันอั้นตู้ไปเสียหมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะเหลังความวิเศษวิโสอะไร น, นอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งนั้นได้เห็นกันมาแล้ว พอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อหมดหวังไปหมดนะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อหมดหวังนี่แล้วก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปียกไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบางสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้ เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกําลังบางชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับแต่ความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกําลังบางชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันทันแหลกกับกิเลส ข, ขึ้นไปโดยลาดับๆจนเป็นกําลังกิตใจมหมุนตัวไปด้วยความเพียรนั้นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ให้มันเห็นกันได้อามัเทียบเสียงกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคลานเป็นยังไงอืมขณะที่นี้ขณะนี้เป็นเวลา เป็นขนาดที่เพียงไกลที่สุดทั้งด้านความภาคเพียงทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบล่าไปเรดดิ่ดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งเหล่า น, นี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเขียงไม่ยอมลงให้ภานฟังให้ถึงใจความตะเกียบตะกายใครก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ตะเกียบตะกายเหมือนกันเราว่ายอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสถานะเรากล่าวทําไมพุทธทางสนังกฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไร่ตะเกียบตะกายสลบสะไหลเห็นอยู่แล้วในตำล่าภาษาวอกก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิมเป็นผู้ตะเกียบตะการมาโดยกันเราดําเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทําไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียบตะกายแต่จจะ ให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้อย่างไงมันเป็นอาถานะ่าเป็นไประมาน่าเดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามคูกคะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นสะดัวก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้นั้นผิดทางโคดโค้งก็ต้องไปตามโคดตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบลื่นหรือไม่ราบตื่นคู่คะก็ต้องผ่านไปนั้นมีการดําเนิน ของเรานี่ก็เหมือนกับเดินคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายมีจุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วกล้าไปด้วยความภาคเปลี่ยนของตนอันจะตะเกียกตะกายทุกยากละหมากขนาดไหนก็ต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกลี้ยงไกลมันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเปลี่ยนได้หมุอนอยู่เสมอเสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อย เขาย่อมมีความแก่แกร่สามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาตโามัิหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บําเพ็ญหรือของผู้บํารุงอยู่ทัเหมอแน่นนแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาล้มลุกคุกคาดในขณะที่จิตได้มีความเคลียงไกลทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาทุกด้านทุกทา ง, ง, งเข้าไปแล้วกับ ความนรกผู้ฆ่าไปยังไงนะที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการลูกผู้ฆ่าลูกค า, คานั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเครื่องหมุนกันมาเป็นลำดับตําดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนไปยังไงก็ต้องยอมรับทุก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์เกความเกลืประการนั่นแหละไม่ไปจากไหน สุดท้ายเมื่อจิตมีกําลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นเนี่ยกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาไอเดียบทใดก็มีความเปลี่ยนเพื่อสติปัญญารอบตัวตลอดเวลา จนกระทั่งค่าสึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจําเป็นไปเองโดยไม่ไม่ต้องได้ลดได้ตรงกันด้วยเจรนาเนี่ยหางหมดไปโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแต่สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ ถ้รูปป่วงจะไม่มีสินใดเหลือแล้วสมุดทั้งทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอนั้นหมดความจําเป็นไปเฉพ่ออย่างยิ่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนหากหมดความจําเป็นไปโดยแิบธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะค่าสุกหมดไปแล้วให้จิตไปไหนทีนไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้ยิที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเพลียน ประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและมันอยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์น่ะแล้วคําบริสุทธิ์นี้มาอยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นวิมุตติถ้าอยู่ว่าอยู่กับวิมุตตแต่คําว่าวิมุติก็เพิงทราบว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อ น, นั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปิดทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรคคืออยากหลุดอยากพ้นก็ยุติกันลง ทุกสิ่งทุกอยาก่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากนั้นก็หมดเราต้องการความพ้นทุกถ้ายามตะเกียบจะกลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้ถึงทราบว่าเป็นมากมีกาลังใจมีความภาคความเปลี่ยนถ้าไม่อยาก เอาคำเพี้ยนมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตั้นหาสามการมัทนาวัฏนาวิพัตนานั่นเป็นฝ่ายกิเลสชวนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี่เป็นความอยากที่เป็นฝ่ามากความอยากอันนี้แยไปทําลายความอยากอันนั้นเมื่อนั่นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปต่างๆกัน เพราะเป็นสมมุติด้วยกันนับติสันติประรังสุขขังสุขอื่นได้ยิ่งกว่าความเบื่อสุดดุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ทุกนพานตั้งอกตั้งใจเอาให้กินให้จังอยาล้อแหละกอนแครอยาชินชากับความภาคเพียรยาหวังสิ่งใดใน โลกามิตรหรือโลกส ม, มุติทั้งหมดมีเท่านั้นลนะ่ะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังหน้าตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ผงขอทําจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังหน้าตานี้เถอะจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวง<ม>การแสดงธรรมอีกแค่นี้